อาจรย์เลิศพรทุกๆ ท, ท่านในสังคมของเรามีข่าวลือเยอะนะข่าวลือข่าวอะไรแต่และวันแต่และวันเนะี่ยได้ยินข่าวนะเพราะเราก็เกิดความเครียดข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองข่าวสังคมอะไรวุ่นวายอยู่แล้วสร้างความเครียดให้เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมนะดําริชีวิตทุกวันนี้ลาบากมากเลย ถ้าเรามีศีลมีธรรมอยู่ใจเรามีความสุขความสงบดำเนิชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาปัญหาวุ่นวายทั้งหลายมันอยู่ข้างนอกเข้ามาไม่ถึงใจเราความทุกข์มันอยู่ข้างนอกเท่านั้นเกิดใจของเราถ้าได้รับการฝึกให้ดีแล้วเนี่ยความทุกข์ก็เข้ามาไม่ถึงเป็นเรื่องที่หลวงพ่อเทศนะไปไหนๆก็เทศอยู่เรื่องเดียวนะว่าทำยังไง เราจะสามารถมาพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราจนเราสามารถอยู่กับโลกได้อย่างไม่ไม่ทุกข์กับโลกความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจนี่เป็นเรื่องใหญ่มันเรื่องอะไรชีวิตของเราจะต้องจมอยู่กับความา ท, า ท, า ท, าทุกข์นิรันดรนทั้งๆที่ทางออกมันมีสําหรับพวกเราชาวพุทธคนอื่นที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาไม่มีทางออก เราต้องอยู่กับโลกไปตามยถากรรมดิ้นรนต่อสู้กันไปส่วนคนซึ่งมีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติสามารถยกระดับจิตใจของเรานะสูงขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์ก็ไกลออกไปเรื่อยๆคาว่าจิตตะภาวนานะหมายถึงการพัฒนานะพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราด้วยการเจริญสติเจริญปัญญาภาวนาแปลว่าเจริญเจริญอะไรเจริญสติเจริญปัญญา มีสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจสติเป็นคนรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่มันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองความสุขเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตก็ชั่วคราว กุศลหรืออาุัศลความโลบความโกรธความหลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราพวของชั่วคราวทั้งหมดเลยเนี่เราจะมาพัฒนานะพัฒนาสติพัฒนาปัญญานะให้มันมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่ๆสติไม่เกิดหรอกอยู่ๆปัญญาไม่เกิดไม่เกิดตามยาถากรรมต้องสร้างขึ้นมาต้องพัฒนาขึ้นมาไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี ทุกอย่างต้องลงตุลลงแรงทั้งสิ้นเพราะเราชาวพุทธเนี่ยเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมถ้าเราทํากรรมดีนะโดยเฉพาะกรรมดีชั้นสูงก็คือการพัฒนาจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาผลของการพัฒนาจิตใจด้วยสติปัญญาเขาจะนำความพ้นทุกข์มาให้เราอย่าพ้นจากทุกข์อะไรเป็นทุกข์โลกนี่แหละเป็นทุกข์คำว่าโลกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ร่างกายเราจิตใจของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกนะ มันก็เป็นก้อนทุกข์เช่นเดียวกับโลกกว้างๆออกไปหันไปทางไหนในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดเลยตั้งเริ่มตั้งแต่ร่างกายเริ่มตั้งแต่จิตใจของเราออกไปเนียถ้าเรามาพัฒนานะจนกระทงจิตของเราเนี่ยมันคลายความยึดถือโลกโลกข้างนอกจะเป็นไงเราก็ไม่หวั่นไหวโลกภายในคือร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่หวั่นไหวจิตใจนะจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รัก จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องไม่สมหวังต้องอนะไรเนีจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตที่ได้รับการพัฒนาดีแล้วแล้วนําความสุขมาให้แล้นเราจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีคนอื่นเขาไม่มีโอกาสเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าพวกเรามีโอกาสได้ฟังธทแล้วก็มาฝึกทุกวันนี้หลวงพ่อไปไหนมาไหนนะเดินทางเป็นว่าเล่นเลยทั้งในเมืองไทยต่างประเทศ มาต่างจังหวัดนะแวกไปเข้าห้องน้ำตามปั๊มหรือแต่ฉันเพนนะฉันเช้าอะไรเนี่ยตามดิมถนนนั่นแหลนะมีคนเข้ามาหาเรื่อยๆนะคนระดับธรรมดาธรรมดานี้แหละหาเช้ากินข้านะไม่ใช่เศรษฐีมาหาเศรษฐีอะไรหรอกคนทั่วๆไปเนะี่ยเข้ามาหามากราบมาไหวมาขอบคุณนะเขาพบว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนได้ด้วยธรรมะความทุกข์ ในใจมันเคยมีมากมายมันก็หายไปตอนนี้ไปที่ไหนที่ไหนได้ เ, เจอคนที่ได้ฟังซีดีนะไม่เจอตัวหลวงพ่อหรอกเราได้แต่ฟังซีดีมาเห็นหน้าหลวงพ่อที่แรกงพระที่ไซส์ขนาดนี้เมืองไทยมีไม่กี่องค์อ่ะแล้วก็ถามเรียบๆเกียงๆว่าหลวงพ่ออะไรอะไรอย่างี้พอรู้ล้วก็ดีใจบางคนส่งกันบ้านนะเป็นชาวไร้ชาวนาส่งกันบ้าน เขาบชีวิตเขาเปลี่ยนไปหมดล้ความทุกข์เนี่ยมันตกหายไปต่อหน้าต่อตาเขาเห็นวัฏตะเรากเราเคยได้ยินไหมสังสารวัฏสังสารวัฏเนี่ยมันหมุนอยู่ภายในในี่สอนพระพูดถึงขนาด น, นี้นะฟังซีดีเขาเห็นวัตฏะเนี่ยหมุนอยู่ภายในหมุนจิ้วจิ้วจิววนะเดี๋ยวก็ผลิตความสุขเดี๋ยวก็ผลิตความทุกข์เดี๋ยวผลิตกุศลผลิตอกุศลขึ้นมานะพรอรู้เท่าทันใจไม่เข้าไปจับ ใจมันไม่เข้าไปยึดถือเองใจก็มีความสุขชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วละ่ะก็รู้เลยว่าคำสอนของพูดให้เจ้านะดีจริงจริงเศษจริงๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะการปฏิบัติทรรมนี่แหละสละความชี้เกียรติซะหน่อยแล้ขยันดูในชานาคนนี้นะไม่ธรรมดาเลยเขีเล่าให้ฟังว่าเปิดประตูบ้านาไปเห็นต้นไม้ต้นเอะไร เ, เห็นต้นไม้ต้นไม้ไม่มีน้าหนัก แต่จิตมีน้ำหนักเนี่ยพ่อนาดได้เห็นถึงขนาดนี้นะหลวงพ่อก็ยังเล่าให้แกฟังว่าหลวงพ่อตอนบวชภรรษาแรกๆอยู่ที่เมืองกาญยังภาวนาอยู่เห็นภูเขานะข้างๆวัดนะที่อยู่มีภูเขาสามลูกเรียงกันสามลูกสวยเชนเห็นภูเขาสามลูกไม่มีน้ำหนักเนี่ยแต่จิตเรายังมีน้ำหนักอยู่จิตทำไมมันมีน้ำหนักมันยังมีความยึดถืออยู่ มีน้ำหนักถ้ามันหมดความยึดความถือนะโปร่ง่องเบามีความสุขทั้งวันทั้งคืนความทุกข์มันไม่มีไม่เป็นภาระร่างกายจิตใจไม่เป็นภาระให้จิตนี้เข้าไปยึดถือเข้าไปแบกหามนี่นพวกเรามีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่นักปฏิบัติเขาทำมานะทุกคนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้มีมือมีเท้ามีสมองเหมือนกันนะไม่ใด้ว่าด้อยกว่าคนอื่นเมือ่อไหร มีบุญด้วยซ้ำไปได้ยินธรรมะได้ฟังธรรมะได้รู้หลักของการปฏิบัติพอรู้หลักของการปฏิบัติแล้วนะรู้ถูกแล้วว่าการปฏิบัติทำอย่างไรนะงานต่อไปก็คือขยันปฏิบัติรู้วิธีแล้วนะรู้ว่าทำถูกเนี่ยทำแบบไหนแล้วนะก็ขยันทำบ่อยๆไม่นานก็จะเห็นผลนะบางคนใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยชีวิตจิตใจเปลี่ยนบางคนก็มาบอกบอกว่า อยู่มาตั้งหลายสิบปีเพิ่งรู้ว่าไม่เคยตื่นเลยหลงอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาตั้งหลายสิบปีมาแล้วได้ยินธรรมะนะเดือนสองเดือนเนี่ตื่นขึ้นมาแล้วละ่ะรู้แล้วว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะั้นไม่มีสาระอะไรเลยจิตหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตอนนี้ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนอะ่ะ ถ้คนทั่วๆไปนะเขาก็ทําอย่างนี้ได้เขาก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้เนี่พวกเราก็มาต้องมาฝึกนะตัวที่จะทําให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานอย่างแท้จริงมนะันมีสติกับสมาธินะแต่จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแล้วแล้วเอาสตินี่แหละไปรู้กายรู้ใจใคอยดูกายดูใจทํางานนี่ก เ, เรียนรู้โลกกายกับใจมันเป็นส่วนของโลกเรียนรู้โลกด้วยสติเอาสติไปค่อยรู้มัน จิตใจของเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูพอเรามีสติรู้กายรู้ใจไปจิตเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแสงมันจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงการที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงตัวนี้แหละเรียกว่าปัญญาเป็นตัวเข้าใจปัญญานี้แหละทําให้จิตใจของเราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะหมดความยึดถือในกายในใจเพราะว่ามันเห็นความจริงแล้ว ร่ากานี้ใจนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้เนี่ยพวกเราเพื่อมาฝึกนะค่อยๆพัฒนาคุณภาพจิตใจมีสตินะแล้วก็พัฒนาสติพัฒนาปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยวิธีพัฒนาก็คือต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถ้ามีสมาธิที่ไม่ถูกต้องปัญญาไม่เกิดเมื่อวันสวันเน้ยนะผมเข้าไปเทศที่ลําปาง้วมีพระมาะเล่าให้ฟังนั่งสมาธินั่งอยู่ไม่ได้ผลหออก แล้วสมาธิมันไม่ถูกชนิดต้องทำสมาธิให้ถูกต้องด้วยถึงจะเอาไปเดินปัญญาได้จริงดังั้นเวลาหลวงพ่อไปสอนเนี่ยนะจะสอนจําชี้จ้ำชัยคนฟังนะว่าสติที่ถูกต้องเป็นยังไงทํำยังไงสติที่ถูกต้องจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องเป็นยังไงทํำยังไงสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดปัญญาที่ถูกต้องเป็นยังไงะทําอย่างไรปัญญาที่ถูกต้องถึงจะเกิดเพื่อให้เรารู้วิธีน เรารู้วิธีว่าทําอย่างนี้สติที่ถูกต้องเกิดทําอย่างนี้สมาธิที่ถูกต้องเกิดทําอย่างนี้ปัญญาที่ถูกต้องเกิดเราก็ไปขยันทําเมืำสติสมาธิปัญญาของเราแก่ร่าขึ้นนะศีล ส, สมาธิปัญญาเายาจะดีขึ้นดีขึ้นสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นการรักษาศีลก็ง่ายขึ้นการจะฝึกจิตฝึกใจให้สงบให้ตั้งมัน่นก็ยิ่งง่ายขึ้นไปเรื่อยการเดินปัญญาก็ยิ <i> ่งคล่องตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็เกิดทัศนา พัฒนาการทางจิตใจจนะนก็เข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ต้องค่อยๆฝึกวิธีที่จะฝึกให้มีสติที่ถูกต้องนะสติที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เป็นตะัวที่เข้าไปเพ่งไปจ้องนะสติที่ถูกต้องเป็นตัวที่แค่เป็นตัวรู้ทันเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะอย่างคนทั่วๆไปนะพวกเราไปเห็นคนโทรศัพท์ไหมคนพูดโทรศัพท์ใช่ไหม เดินพูดไปทำอย่างนู้นทำนี้นะคนโถไปเกาหัวไปตาาข้อไปก็มีนะสาวๆลืมตัวจิตใจไม่อยู่กับตัวเองนะทำอะไรก็ลืมตัวเองตลอดเวลานีน่มันมีร่างกายก็ลืมร่างกายนะจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะร้ายไม่เคยรู้เลยเรียกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอย่างเนี้เรียกว่าขาดสติอย่างไรแรงมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะ เราต้องมาฝึกที่จะ่อยรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้ร่างกายเคลื่อน like ไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถ้ามันรู้สึกได้อย่างอัตโนมัติเรียกว่าสติอัตโนมัติเกิดเราต้องมาฝึกจนสติอัตโนมัติเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้สึกก็รู้สึกได้ร่างกายขยับตัวปั๊บรู้สึกได้เลยแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกได้หรือความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นนะความสุขความทุกข์ในใจเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้นะรู้ได้ทันทีเลย ว่าตอนนี้มีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นหรือเวลาโกรธขึ้นมานะความโกรธผุดขึ้นมาในใจนะสติระลึกได้เลยว่ามีความโกรธเกิดขึ้นล้วนี่สติที่แท้จริงมันจะทําหน้าที่เป็นตัวคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจโดยไม่ได้เจตนาจะรู้ถ้ายัางเจตนาจะรู้อยู่นะไม่ใช่สติตัวจริงเป็นสติที่ยังมีกําลังอ่อนอยู่ถ้าสติตัวจริงนะมีกําลังเข้มแ ข, ข็งเนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้ได้ ในภาษาอภิธรรมนะตรงที่ไม่ได้เจตนาจะให้เกิดมันก็เกิดเขาเรียกว่าอาศังขาริกังอาศังขาริกังจิตที่เป็นกุศลนะถ้ามันเกิดกุศลโดยอัตโนมัติอย่างมีสติอัตโนมัติเนี่ยเรียกว่าเป็นอาศังขาริกังหมายถึงว่าเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าแล้วนะบางคนมนะันไม่ได้เจตนาจะกโกรธรือกโกรนเอาโกรนเอ า, เอาเนี่ยอากุศลมีกำลังกล้าก็เป็นอาศังขาริกังนี่เราจะต้องมาฝึกจนกระทั่งสติเนี่ยมันอัตโนมัตินะ หรือจะเป็นอาสังขาริกังนะเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าไม่ต้องชวนให้เกิดก็เกิดได้เองวิธีที่สติจะเกิดได้เองอัตโนมัตินะก็คือต้องหัดรู้สึกพยายามรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆพยายามรู้สึกอยูที่จิตใ จ, ใจบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกทีแรกนานๆจะรู้สึกจีหายใจไปตั้งนานนะไม่รู้สึกใจลอยไปที่อื่น หายใจไปหายใจไปเกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลงลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนะเช่นกําลังนั่งดูทีวีเพลินเพินะถ้าเราเคยฝึกหายใจมาชินนะในทีวีมีรูปสาวสวยโผล่ขึ้นมานะใจเกิดราคะพอใจเกิดรากคะปุ๊บเนี่ยลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะนะหรือกําลังดูอะไรเพลินเพลินะหันไปเห็นข่าวมีแต่ข่าวไม่ดีนะเห็นปุ๊บโทสะเกิดพอโทสะเกิดเนี่ยนะลมหายใจเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะ เวลาราคาแรงๆลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะนึกออกไหมเวลาโทสะแรงๆลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะงั้นคนไหนถ้าคอยมารู้สึกถึงการหายใจบ่อยๆนะหายใจออกคอยรู้สึกตัวหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวต่อไปเวลาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงมันลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะนะไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันจะรู้ได้เองนะมันจะรู้เลยลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะแล้วก็จะมารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจได้ด้วย โอจิตตอนนี้มีราค้าอย่างแรงมีโทสะอย่างแรงเกิดขึ้นลมหายใจเลยเปลี่ยนจังหวะไปเนะี่ยจะไม่ได้เจตนาจะรู้นะหรือบางทีเราเคยรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวนะขยับมือแล้วรู้สึกตัวขยับเท้าแล้วรู้สึกตัวนะสายหน้าทําอะไรต่ออะไรเนี่ยขยับขยื่นรู้สึกตัวต่อมาเวลาเราลืมเราเผลอไปนะเราเกิดเคลื่อนไหวร่างกายไม่เกิดเคลื่อนไหวขึ้นมะาสติมันจะเกิดเอง เมื่อนานแล้วนะเกือบเกือบสาปีแล้วหลวงพ่อเคยเข้าไปวัดสนามในได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อเจียนตอนนั้นหลวงพ่อเทียนดังก็เข้าไปหาไปดูหลวงพ่อเจียนเห็นหลวงพ่อเทียนกำลังสอนโยมให้ขยับมือทําจังหวะหลวงพ่อเทียนขยับขยับหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวลูกศิษย์ถัดใหม่นะขยับไปก็เพ่งนะเพ่งใส่มือจิตกับทื่อๆพวกหนึง่ง พวกหนั่นก็นฟุง้งซ่านนั่งคิตนึกท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้เดี๋ยวจะมาท่านี้บางพวกฟู้งยิ่งกว่านั้นกนะขยับสวยมากเลยแต่จิตใจหนีไปคิดเรื่องอื่นนอกวัดไปแล้วโอ้จิตใจไม่อยู่กับเนนะื้อกับตัวตอนนั้นใจดูกล้ากินเข้าใจโอ้ไม่ถูกหรอกอย่างหลว่าเทียนนี้ถูกนะขยับแล้วรู้สึกรู้สึกคนหัดใหม่ๆไปขยับตามท่านนะไม่เผลอไปเรื่องอื่นก็ก็เผลอไปคิดเรื่องมือหรือไม่ก็ไปเพ่งใส่มือไปเลย หลวพอลองาเห็นหลวงพ่อเจีนขยับแล้วงพ่อก็เป็นหลบอยู่ใต้ต้นไม้บ้านงะขยับมากขยับหูตั้งสิกว่าจังหวยะสิบสีจังหวะเยอะแยะไปเวียนหัวมากไปไม่ถูกจริตแต่เราเป็นคนใจร้อนนะให้มันทาใจเย็นขยับทั้ง14จังหวะนี่ลาคานหลวงพ่อ เ, เ, เอานิดเดียวแค่นิ้ไม่ต้อง14จังหวะเหลืออยู่สจังหนวะเางกำมือกับแบมือกับมือกับแบมือรู้สึกไป กำมือก็รู้สึกเห็นร่างกายมันกำมือแบมือก็รู้สึกเห็นร่างกายเป็นแ บ, บมือรู้สึกตัวไปนะเล่นอยู่เนี่ยนะอยู่ใต้ต้นไม้ที่วัดหงพ่อเตียนนั่นแหละกลับมาบ้านขึ้นมาเล่นต่ออากาศร้อนเอาพัดมาอันนึงพัดร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแต่เดิมหากแต่ดูจิต ด, ดูใจนะมาเห็นหลวงพ่อเทียนใช้ร่างกายก็ลองใช้ดูว่าจะมีผลยังไงอีกไม่นานนะ วันหนึ่งเจอเพื่อนไม่เจอหลายปีคนนี้อยู่คนละฝั่งถนนกันแต่ถนนก็ไม่กว้างมากหรอกนะพอเห็นเพื่อนก็ดีใจดีใจเนี่ยขาดสติแล้วไม่รู้ว่าดีใจเรียกขาดสติถ้าดีใจแล้วรู้ว่าดีใจเรียกว่ามีสตินะดีใจแล้วไม่รู้ว่าดีใจเรียกขาดสติแล้วไม่รู้ทันจิตใจของตัวเองร่างกายตอนนี้ก็ลืมไปแล้วเห็นแต่ร่างกายเพื่อนสติก็ไม่มีอยู่ที่กายก็ลืมกายตัวเอง จิตใจของเรากําลังดีใจว่าเจอเพื่อนก็ไม่เห็นอีกก็เรียกว่าขาดสติเพราะไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองก้าวเท้านะจะข้ามถนนไปหาเพื่อนพอเท้าขยับเท่านั้นอ่ะยังไม่ทะยีเหยียบถนนเลยสติเกิดแล้วเพราะเราเคยหัดเล่นในร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะพอขยับตัวปับนน๊บเถอะสติเกิดเองเลยสติเกิดเองรู้ตัวรู้กายรู้ใจนะคราวนี้เห็นใจเป็นดีใจดูปับป๊บความดีใจก็หายไปนะก็ะไปคุย ทักทายปลาใสไปแต่ว่าแมไม่ไม่หลงกระดีกระดาอะไรแล้วนะไม่มีสติมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราต้องฝึกจะใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมก็ได้จะใช้ความสุขความทุกข์เป็นวิหารธรรมก็ได้จะใช้จิตใจเป็นวิหารธรรมก็ได้เราฝึกให้มากๆนะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกก็ได้ไม่ต้องรู้อย่างอื่นทำสักอย่างหนึ่งก่อน คนไหนอยากรู้กายก็ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกนะร่างกายยิ้มรู้สึกลองยิ้มซิทุกคนยิ้มหวานหวานนะคิดว่าเรายิ้มหวานที่สุดในชีวิตซิลองยิ้มดูยิ้มเห็นร่างกายมันยิ้มไหมเห็นของตัวเองนะไม่ใช่ไปดูของคนอื่นนะเห็นตัวเองยิ้มเอาแล้วลองทำหน้าบึง้งซิทำหน้าบึง้งซ้อมไม้เปื่อเขาจ้างไปเป็นดาราทาหน้าบ้งเอาอย่งทําหน้าเป็นสิทธ์เลย ทำหน้าบึ้งเลยวทำหน้าบึ้งบึงเห็นไหมหน้าบึ้งเห็นไหมรู้สึกไหมทําหน้าบึ้งหน้าบึ้งพยักหน้าสิยันหน้าแล้วรู้สึกไหมรู้สึกสบายๆนะพยักหน้าแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะมันไม่ใช่แค่รู้สึกแล้วมันเป็นเพ่งไปจ้องถ้าเพ่งจ้องนั้นมันจะแน่นๆตึงๆนะปลอมของปลอมรู้สึกสบายๆนะ เนี่ยบางคนกาลังเกาอยู่ที่แขนนะบางคนเกานี้ยกานี้ยเอาเกากันใหญ่เลยตอนเนี้ยนะถ้ามานั่งที่หลวงพ่ออยู่ตรงนี้เลยจะเชื่อเลยมนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงจริงๆนะถ้ามานั่งอยู่อย่างที่หลวงพ่อเห็นพวกเราตอนเนี้ยนะเนี่ยตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าทําไมเราไม่รู้สึกอ่ะไหเราเก่าเปลินๆไปเนี่ยพยักหน้ายืดๆรู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอก เคยรู yeah, it, nice out, yeah, ้สึกอยู่ที่ร่างกายนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกสบายสบายหยัดจ้องเนี่ยรู้สึกอย่างี้กินน้ําทีหรือนะจ้องอยเงี้ยร่างกายขาดน้ํานะเกือบชั่วโมงยังไม่ถึงแก้วเลยนะค่อยๆกึบกึแต่ไตวายสะก่อนไม่ได้กินน้ํานะไม่จาเป็นต้องทําอะไรที่ผิดธรรมชาติขนาดนั้นนะธรรมดาธรรมดานี่แหละร่างกายเคลื่อนไหวไปธรรมดานี่แหละแล้รู้สึกมันนะ จิตใจเคลื่อนไหวไปตามธรรมดารู้สึกมัอนเดี๋ยวพวกเราตอนเนี้หลายคนมีความสุขรู้สึกมมันมีความสุขมีความสุขแล้วรู้ว่ามีความสุขอยู่เรียกว่ามีสตินะสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทันรู้กายรู้ใจสติที่ความจริงสติมีหลายแบบสติอย่างโลกโลกขับถนนให้มีสติดื่มสุราให้มีสติถ้ามีสติเราจะไปดื่มมันทำไมใช่ไหมเมตหมีใต้คำกว่านั้นดื่มสุราให้มีสติมีไม่ได้หรอก ถ้ามีสติมันไม่ดื่มเราละไอ้ได้สติอย่างโลกโลกนะเรียนหนังสือได้ทํางานได้เดินไม่ตกถนนขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยไม่ชนใจไอ้สติโลกโลกไม่ไปมาผลนิพพานหรอกสติอันนั้นก็อยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขนะไม่ผิดพลาดสติที่พวกเราจะใช้ไปมาผลนิพพานเนี่ยสติรู้สึกกายสติรู้สึกใจสติที่คอยรู้สึกกายสติที่คอยรู้สึกใจนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานเคยได้ยินไหม พระเจ้าสอนนัสติปัทานเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะถ้าเจริญสติปัฐานถูกต้องนะเวัน7เดือนเจ็ดปีอาจจะได้เป็นพระละหันหรือเป็นพระอนันนาคาไม่แน่เห็นไหมสติที่รู้กายสติที่รู้ใจนี่คุณภาพสูงนะเปลี่ยนจากคนซึ่งเป็นคนสกมตกโสมมนะเป็นพระอริยะบุคคลได้ในเวลาไม่นานด้วยนี่บอกเป็นอปของอัศจรรย์เพราะงันเราอย่าดูถูกสติที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะ นี่แหละสุดยอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยอยู่ในเรื่องสติปัฏฐานท่านบอกเลยว่าสติปัฏฐานสี่นะถ้าใครปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะบางทีเป็นพระลรหันหรือเป็นพระนาคาท่านต่อไปอีกนะเจ็ดวันยกไว้เถอะหกวันก็มีนี่ห้าวันก็มีสามวันก็มีวันเดียวก็มีนะมีสติหรือที่กายที่ใจนี่แหละวันเดียวเป็นพระลรหัน์ยังมีเลย บางคนไปฟังผู้เทศเจ้าเทศอย่างท่านพาหิยะตามผู้เทศเจ้าไปที่ตลาดพู้เจ้าไปบินถ่ายก็ตามเข้าไปในเมืองในตลาดจะไปขอฟังเทศพระเจ้าก็ไม่ยอมเทศบอกว่ามาเหนื่อยๆยังแล้วเวลานี้เป็นเวลาบินถบายไม่ใช่เวลาเทศพาหิยะก็พยายามตื้อนะขอฟังขอฟังบอกว่าผมจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนถ้าตายก่อนแล้วไม่ได้ฟังเทศเนี่ยเสียโอ ก, กาสของกระผมนะครับของข้าพุทธเจ้านะครับ พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าขอฟังขอสมควรแล้วนะท่านก็สอนดูพระภายะในการใด แ, แลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมือ่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมือ่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดที่ไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนะไม่ยึดถืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ที่สิ้นสุดแห่งทุกพยายาฟังแช่นี้เองนะเป็นพระอราหันต์นะเป็นคนที่บรรลุพระอราหันต์เร็วที่สุด ในสาวกทั้งหลายองค์นี้เร็วที่สุดเป็นเอตทักคะพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระนะยังไม่ทันบวชเลยออกจากพระ เ, เจ้าไปหาบาทหาจีวรจะมาบวชนะถูกบวชปิดตายพวกพระก็ามาทูลพระพุทธเจ้าว่าคาฮิยะที่พระองค์ไปเทศให้ฟังเมื่อเช้าเนี้ถูกบวชปิดตายนะพวกข้าพระองค์ควรจะเรียกพาฮิยะว่าอะไรเรียกว่าพระได้มหมยังไม่ได้บวชเรียกว่าสมณะได้มหมยังไม่ได้บวชเป็นปัรธชิตไหม พระอาารบอกเรียกได้นี่เป็นพระแท้แล้วไม่ได้บวชนะใจเป็นพระแท้แล้วเขาฟังนิดเดียวเห็นไหมเมื่อเห็นจากเป็นสักว่าเห็นรร er field, ว่าฟังจากเปลนสักว่าฟังว่าทราบจากเป็นสักว่าทราบตาเห็นใจเกิดความเปลี่ยนแปลงเขารู้ทันไปเรื่อยนะู่ได้ยินเสียงใจเกิดความเปลี่ยนแต่เขารู้ทันเขฟังนิดเดียวนะเขาเจริญสติปัฏฐานแป๊บเดียวเขาก็บรรลุแล้วเพราะงั้นไม่จําเป็นว่าต้องช้านะ ถ้าทำถูกแล้วบารมีของเรามากพอนะแป๊บเดียวก็บรรลุแล้วถ้าบารมียังไม่พอทำถูกไปก็ช้าหน่อยเจ็ดวันเจ็ดวันช้าไหมไม่ช้านะเจ็ดเดือนช้าไหมเจ็ดปีช้าไหมช้าเหรอช้าแล้วทำให้ถูกแล้วทำให้มากมันจะได้โดยวัวเจ็ดปีบางคนเจ็ดปีก็ยังไม่ได้ต้องเจดชาติเนาะเพราะว่าบารมีน้อยไม่เคยฝึกจเจริญสติมาเนพวกเราคยฝึก ให้มีสตินะร่างกายเคลื่อนไหวไปรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกสบายๆอย่าจ้องอย่าจ้องนะเอาล้วร่างกายจะยกมือแล้วอย่างนี้ไม่เรื่องมีสตินะนเรียกมันเพ่งกายใจจะเครียดเครียดถ้าทําแล้วจิตใจเครียดจิตใจหนักขึ้นเมื่อไหร่นะให้หยุดทันทีเลยนะทําผิดแล้วห้ามขยันทําผิดแน่นอนถ้าทําแล้วใจเครียดเครียดหนักๆขึ้นมาเนี้ยให้หยุดก่อนทําผิดแล้วห้ามขยัน บางคนนะบอกแหมปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งวันทั้งคืนเลยนะปฏิบัติจนศีทัญญาบ้างบ้านสมเด็จรับก็ไปเป็นสมาชิกนะเป็นสมาชิกถาวรเลยปฏิบัติมากอย่างนั้นไม่ถูกหรอกถ้าปปฏิบัติถูกแล้วไม่บ้านนะบ้าบ้าบางคนมาปฏิบัติจะหายบ้าเลยแต่ต้องบ้าบ้าบางชนิดนะถ้าบ้าแบบสมองผิดปกติไม่หายแต่ถ้าจิตใจเครียดอะไรพวกนี้นะภาวนาถูกแล้วแป๊บเดียวก็หายแล้ว พวกจิตแพทย์เดี๋ยวนี้เลยเอาซีดีหลวงพ่อเนี่ยเป็นยารักษาคนบ้าบางจำพวกนะได้ผลเด็ดขาดให้กินยามาเป็นปีไม่หายหรอกเพราะว่ามันเครียดไม่เลิกนะครับซีดีไปให้ฟังสักพักหนึ่งเขารู้ทันใจของเขานะไม่ต้องกินยาแล้วอยู่ได้แั้หเราฝึกนะเรายังไม่ได้บ้าซะหน่อยเลยหมหรือว่าบ้าบางคนเขาก็ว่าพวกาวันไอพวกบ้านะ พวกหลงโลกเนี่ยเป็นคนดีให้พวกชอบฟังเทพชับเข้าวัดทำบุญเนีพวกบ้าๆก็โลกเหมือนโลกของคนบ้านะมอนเห็นไอ้คนดีมันก็ว่าบ้าแหละส่วนเราเราก็ไม่ว่าเขานะเราถือว่าเรามีโอกาสดีกว่าเขาเขาน่าสงสารเขาไม่ได้ปฏิบัติพวกเราได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติถือว่ามีบุญแล้วใครจะว่าบ้าเอาช่างมันเราปฏิบัติของเราแต่ว่าเราไม่ต้องไปปฏิบัติโชว์อย่างหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะ กางวันเนี้ยกินข้าวเสร็จเที่วปฏิบัตินะเดินจงกลมแต่ไม่ได้เดินกลับไปกลับมาให้คนเขาสงสัยว่าบ้าหรือเปล่าหลวงพ้ hmm. เาเดินไปวัดใกล้ๆที่ทํางานนะไปไหว้พระหน่อยแล้วเดินกลับมาจริงจริงเดินจงกลมนะกินข้าวเสร็จแล้วไปทําอะไรเดี๋ยวก็ซึมๆไปไม่ดีก็ไปเดินปฏิบัติไม่มีาการแขวนป้ายว่าฉันเป็นนักปฏิบัติถ้าเราแขวนป้ายเป็นนักปฏิบัตินะพวกที่ไม่เข้าใจการปฏิบัติเขาจะเรียกร้องสูง เช่นเธอเข้าวัดมาตั้งนานแล้วทําไมไม่หายโมโหสัทีขี้โมโ oh หเหมือนเดิมอย่างนี้นะขี้บ่นเหมือนเดิมพูดอย่างกับว่ากิเลส น, นละง่ายนะไอ้คนว่าเรานะ่ะไม่เคยหายหรอกแต่มันว่าเอาว่าเอ า, เ, อาเพราะเห็นว่าเราเข้าวัดนั่นะเราก็่ต้องไปโชว์เขานะเรากลมกลืนอยู่ในชีวิตอย่างนี้แหละร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกหรือจิตใจมันเคลื่อนไหวเราค่อยรู้สึกก็ได้นะจิตใจเราเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราค่อยรู้บ่อยๆนะ ถ้าเรารู้บ่อยๆต่อไปพอความสุขเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เจตน า, าจะรู้ก็รู้ได้เองนี่เรียกสติอัตโนมัติเกิดแล้นะเหมือนที่ร่างกายเคลื่อนไหวนีไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตัวเลยพอเคลื่อนไหวกำลังเผลอๆอยู่ขยับตัวปั๊บรู้สึกขึ้นมาเองเลยนะรู้สึกตัวขึ้นมาได้เลยอย่างนี้เรียกสติอัตโนมัติหรือว้าใจโกรธขึ้นมาปุ๊บสติอัตโนมัติเกิดแล้เห็นเลยใจมันโกรธเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธเนี่ยอย่างนี้โกรธปั๊บขึ้นมานะเห็นเลยอย่างนี้เรียกสติอัตโนมัตติกกเรา้องฝึนะ ทุกวันพยายามฝึกรู้สึกอยู่ที่กายดูกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่ที่ใจดูใจเคลื่อนไหวคนไหนดูจิตใจได้ก็ดูจิตใจไปคนไหนไม่ถนัดดูจิตใจก็ดูร่างกายสิ่งที่ได้ก็ได้อันเดียวกันคือได้มีสติขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวก็เกิดความรู้สึกตัวจิตใจเคลื่อนไหวก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมามีสติขึ้นมาฝึกให้มากนะฝึกให้มากต่อไปเราก็อาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยนะมาพัฒนาต่อไปสร้างสมาธิขึ้นมา จะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแก่กล้าพอเรามีสติแล้วเนี่ยนะเรามาพัฒนาตัวเองเป็นขั้นๆไปเลยอาศัยสติพัฒนาให้เกิดศีลอาศัยสติพัฒนาให้มีสมาธิอาศัยสติและสมาธิพัฒนาให้เกิดปัญญาอาศัยสติทําให้เกิดศีลก็คือคอยรู้ทันใจถ้าเราเคยหัดรู้ทันใจของเรามันจะรู้อัตโนมัตินะพอความโกรธเกิดขึ้นสติมันรู้เอง ทันทีที่สติมันรู้ความโกรธเนี่ยความโกรธจะดับอัตโนมัตินะพราความโกรธ ด, ดับเนี่ยเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะความโกรธเวลาโกรธเนี่ยทำผิดศีลข้อไหนได้บ้างข้อ1นมึมีไหมทำร้ายเขาฆ่าเขาตีเขาทําได้ใช่ไหมก็โกรธใช่ไหมไปทําลายทรัพย์สินเขาได้ไหมโกรธเขาแกล้งขีดรถมันรถมันสวยกว่าเราเรามีแต่รถกระป๋องไอ้นี่รถออกใหม่ป้ายแดงขีดมันเลย นะทําลายทรัพย์สินเขาอันนี้ก็โทสะนะเพราะอิจฉาอิจ ฉ, ฉ, ฉากลกูลโทสะนะมีโทสะเกิดขึ้นประพฤติผิดในกรรมได้ไหมแกล้งไปจีบเมียมันให้มันเจ็บใจเล่นอย่างนี้ก็ได้นะอะมีโทสะเกิดขึ้นก็ไป ผ, ผิดสีข้อสีได้ไปด่าเขาใช่ไหมมีโทสะเกิดขึ้นใจิตใจไม่สบายไปกินเหล้าได้ไหมคนไทยนี่หลาชอบนะนะกลุ้มใจไปกินเหล้านะดีใจก็กินเหล้าอีกดีใจนะ่าราคะแทรกก็ไปกินเหล้าอนะ เสียใจโท่สะแท้เข้าไปกินเหล้าได้อีกเห็นไหมโกรธตัวเดียวทําผิดศีลห้าได้ห้าข้อเลยโกรธราคาอันเดียวก็ทําผิดศีลหได้หข้อเหมือนกันนะมีราคาเขาไปทำลายเขาแย่งจริงสมบัติเขาไปรักไปขโมยเขาไปเป็นชู้ลูกเมียเขานะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาเลยหรือมีราคาเกิดในใจแม้หลงโลกกระดีกระดาเต็มที่ต้องฉลองหน่อยรับปริญญาทีงฉลองหน่อยนะ โธ่รับปริญญาฉลองอะไรฉลองเตยฝุ่นเนาะฉลองต่อไปนี้แหละพ่อแม่ไม่ยอมให้ตังค์แล้วนะฉลองไม่น่าฉลองเท่าไหร่หรอกหรือสอบเข้าได้ก็ต้องฉลองใช่ไหมทำอะไรก็ฉลองเลื่อนตําแหน่งก็ฉลองทําอะไรก็ต้องเลี้ยงฉลองไปหมดเลยหลงมากไปราคะมากไปนรานเรามีโทสะเกิดขึ้นนะเราก็ทําผิดศีลได้เรามีราคะเกิดก็ผิดศีลได้ มีความหลงเกิดขึ้นทาผิดศีลได้หมดเลยเพราะถ้าไม่หลงนะราคะและโทสะจะไม่เกิดต้องอาศัยความหลงเป็นพื้นฐานราคะและโทสะถึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ไม่หลงมีสติอยู่คอรู้สึกตัวเรื่อยๆกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันนะกิเลสเข้างําใจไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนะมีแต่ทำว่าอัตโนมัติเนี่ไหม ฝึ ก, กสติอัตโนมัติเกิดมีสติอัตโนมัติแล้วรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจศีอัตโนมัติเกิดนะสบายมากเลยลูกศรหลวงพ่อประมุ่นไม่ต้องทําอะไรลําบากหรอกมีแต่อัตโนมัติไปหมดเลยนะระบบอะไรฟาสต์ฟู้ดทั้งนั้นเลยนะแบบรวดเร็วง่ายๆไม่ยากไม่ต้องไปหุงข้าวต้มแกงไปจับปลาจับอะไรนะโทรศัพท์สั่งอาหารเนี่ยนระบบทันสมัยนะคำสอนของหลวงพ่อนี่แหละ คนถึงทาได้เยอะเพราะคนอยู่ในขี้เกียจอะไรที่อัตโนมัติอย่างนี้ก็พอทําได้เอาอันเดียวให้ได้ก่อนสติอัตโนมัติน่ะถ้าได้สติอัตโนมัตินะศีนอัตโนมัติก็มาเองแหละรสมาธิอัตโนมัติเราจะทําได้ไงก็อาศัยสตินะรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านส่วนใหญ่มันหนีไปคิดแล้วจิตเราหิีไปคิดทั้งวันจริงหรือไม่จริงหลวงปูป้าจะทดสอบให้พวกเราดูนะ แล้วหวพ่อจะหยุดพูดนะแล้วพวกเราห้ามคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแต่พวกเราห้ามคิดนะอา้าวคิดไหมคิดแหลกล้านเลยนะเ ร, ยรเราคอยรู้ทันที่ผ่านมาใจเราคิดอย่างนี้ตลอดเวลานะแต่เราไม่เคยเห็นนะแล้วต่อไปนี้าใจหนีไปคิดเราคอยรู้ใจหนีไปคิดเรารู้เวลาที่ใจมันหนีไปคิดเนี่ยนะใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแปลว่าไม่มีสมาธิ จิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิที่ดีนะสมาธิที่ถูกต้องที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมันรู้ตัวเองอยู่นะไม่หลงไม่ลืมตัวเองไปนี่สติสมาธิเนี่ยมันประชุมลงที่กายที่ใจทั้งหมดเลยนะมันถึงจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้ดั้นเรามาฝึกนะใครรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลไปคิดเนี่ยเป็นไหลมากที่สุด ไหลไปดูก็ได้ไหลไปฟังก็ได้ไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายก็ได้แต่ที่ไหลมากที่สุดคือไหลไปคิดจิตไหลไปคิดแวบรูああ habitat, mat, yourself, ้สึกจิตไหลไปคิดแวบรู้สึกไม่ห้ามนะถ้าห้ามจบเครียดถ้าเมื่อไรเครียดให้หยุดซะทําผิดห้ามขยันจําไว้นะทำผิดห้ามขยันนะวิธีดูว่าผิดก็ผิดเหมือนถ้าเครียดเครียดแน่นหนักนี่ผิดแล้วอย่าขยันเริ่มต้นใหม่นะรู้สึกเอาใหม่นับหนึ่งใหม่ ไมต้องไปเสียดายนะเวอุตสานั <situación> ่งมาตั้งแต่เช้าวันี้เครียดซะแลหลวงพ่อบอกให้หยุดให้หยุดแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ต่อยอดต่อไปใหม่นะเมื่อเราคอยรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันฝึกเรื่อยๆอาศัยสติเน่เป็นตัวรู้ทันจิตที่หนีไปคิดอาศัยสติรู้ทันจิตที่มีกิเลสนะจะได้ศีลอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจะได้สมาธิ สมาธิอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะให้มีความตั้งมั่นไม่ได้เจตนาให้สงบนะเพราะสติรู้ทันว่ามันหนีไปคิดเท่านั้นเองจิตหนีไปคิดเท่านั้นเองสมาธิอัตโนมัติเกิดแล้วไม่ต้องบังคับเลยนะจิตแจ่จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอัตโนมัติเห็นไหมเราได้สติต้องฝึกนะให้จนสติอัตโนมัติเกิดสีอัตโนมัติมันจะตามมาสมาธิอัตโนมัติมันจะตามมาต่อไปก็มาหัดเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้เป็นข่านสุดยอด เป็นขั้นสุดยอดในการปฏิบัติธรรมแล้วิธีเจริญปัญญานะก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่มันมีสมาธินี่แหละมันตั้งมั่นเป็นกลางมันเป็นแค่คนดูดูอย่างซื่อๆดูแบบไม่เข้าไปแทรกแซงถึงจะเรียกว่าเป็นกลางนะต่อไปเราก็เห็นร่างกายมันทํางานแต่จิตมันเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายกับจิตนี่เป็นโคโลนันกัน กนะายกับจิตได้เป็นคนละอ่านกันเป็นคนละส่วนกันร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูพอกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันปุ๊บนะเป็นคนละส่วนด้วยความรู้สึกนะบางคนเข้าใจประโยคนนี่ผิดก็ถอดจิตไปอยู่บนหลังคาบ้านเห็นร่างกายอยู่ข้างล่างไอ้อย่างนี้มากเกินไปนะไอ้อย่างนี้เป็นผลของสมาธินะสมาธิแบบสมถนะมากเกินไปไม่ถูก พี่กายกับใจแยกกันเนี่ยแยกด้วยความรู้สึกเท่านั้นเองรู้สึกอยู่นี่แหละแค่นี้แหละไม่ต้องถอดจิตออกจากร่างนะยังไงไงก็ออกแน่เลยสักวันหนึ่งเล ต, ตอนนี้ยังไม่ต้องออกหรอกนะไม่ต้องซ้อมนะการรู้สึกให้จิตอยู่กับร่างไว้นะแต่มันจะรู้สึกว่าเออร่างกายก็ส่วนหนึ่งว่ะจิตใจก็คนละส่วนเอาทุกคนจับแขนแขนตัวเองนะอย่าไปจับแขนคนอื่นนะเดี๋ยวจะวาไม่ถูกต้องจับไปแล้วรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆ บางที่ก็แข็งใช่ไหมบางที่ก็อ่อนบางทีก็อุ่นๆบางที่ก็ร้อนๆรนู้สึกไหมมือเราเนี่ยไม่เท่ากันนะบางจุดก็ร้อนบางจุดก็เย็นรูน้สึกไหมเนี่ยมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่วัตถุนะใจเราเป็นแค่คนดูรู้สึกไปสบายๆนวดไปเลยนะถ้าเมื่อยก็นวดไปนวดแล้วก็ค่อยรู้สึกเออไอตัวนี้เป็นวัตถุนี่มนาะไม่ใช่ตัวเราหรอกค่อยๆรู้สึกไปนวดแข้งนวดข า, าก็ได้นะ จับดูสิมันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราเอาจับมือจับข้อมือข้อมือบอกไหมว่าเป็นตัวเราข้อมือไม่ได้บอกนะข้อศอกบอกไหมหูบอกไหมไม่มีนะมันเป็นวัตถุเท่านั้นเองมันไม่ใช่คนหรอกมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแค่คอยรู้สึกนะค่อยรู้สึกไปกลับบ้านนะเป็นนั่งนวดตัวเองนะ ใครก็าาถามว่าปฏิบัติไปทําอะไรไม่ต้องไปอวดนะว่ากําลังปฏิบัติทําขั้นสุดยอดอยู่นะเนี่ยไม่ใช่หรอกอยวาไปบอกเขานะโอ้ร่วนให้เลือดลมมันเดินความจริงเนี่อรู้สึกอยู่เลยนี่เป็นท่อนๆไว้ไม่ใช่คนหรอกเป็นวัตถุค่อยๆดูไปนะนเรียกเจริญปัญญานะไม่ใช่คิดเอาแต่ต้องรู้สึกเอาถ้าคิดเอาไม่ใช่ภาวนาเมาย์ปัญญาคิดเอาเขาเรียกว่าจินตามายะปัญญาปัญญาจากการจินตนาการ ไม่ไม่ปั่นรูมากคนหรอกนะต้องรู้สึกเอาเนี่ยเราจับไปเรื่อยเรื่อยแล้วถึงจิตหนึ่งเรารู้สึกมันไม่ใช่เราหรือเป่าเป็นท่อนอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่คนละไม่ใช่เราละนะหรือแม้ดูจิตใจก็เหมือนกันนะดูมันทํางานเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราได้ชั่วคราวนะใจเราเป็นคนดูอยู่นะความสุขมาใจเป็นคนดูเห็นความสุขกระจายมัคนคละอันนะ ความสุขมันแปลกปลอมมาใจเป็นคนดูเนี่ยเรียกแยกธาตุแยกขันนะอย่างเห็นร่างกายก็อันหนึง่งจิตใจก็อันนึงอันนี้ก็เรียกว่าแยกธาตุแยกขันได้ะนะนะบางคนถนัดแยกกายก็ยเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกุคนถนัดทางจิตใจรู้ จ, จิตใจแนละ้วก็ดูไปความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ตัวเราหรอกความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะใจเป็นคนไปรู้เข้าความสุขไม่ใช่ตัวเราหรอกมาชั่วคราวแล้วก็หายไปนะ เห็นอ น, นิจจังนะคือมันของชั่วคราวเห็นอนัตตาคือมันไม่ใช่เราหรอกมันมาของมันเองเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองความทุกข์ก็เหมือนกันเวลาความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจนะเราก็มีสติไปเห็นมันจิตใจก็เป็นแค่คนดูเราจะเห็นว่าความทุกข์กับจิตใจเนี่ยคนละอันกันความทุกข์เป็นสิ่งที่แปรปลอมอยู่ชั่วคราวนะเป็นอ น, นิจจังอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป มามันก็มาของมันเองนะไม่ได้เชิญเลยห้ามมันก็ยังมาบังคับมันไม่ได้ตรงที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้มันเป็นเองเนี่ยเรียกว่าอนัตตาเนี่ยเราคอยดูร่างกายนะร่างกายจะเห็นว่าร่างกายเป็นก้อนทุกข์ร่างกายก็เป็นอนัตตาเป็นแค่วัตถุส่วนจิตใจเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาในแง่ที่บังคับไม่ได้ร่างกายเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองนะส่วนจิตใจเป็นอนัตตาในแง่ที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ คือรวงความแล้วไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุจิตใจไม่ใช่ตัวเราเพราะเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้เคยตั้งใจไหมว่าจะไม่โกรธใครเคยตั้งใจจะไม่โกรธไหมล้วโกรธไหมโกรธหลวงพ่อแต่ก่อนเ็าเป็นนะตั้งใจจะไม่โกรธพอเห็นหน้านะลืมความตั้งใจใครเคยตั้งใจใจเอ็ดมังลดน้าหนักเวลาเกี้ยกินข้าวนะ คำแรกอย่างไรเอียดอยู่นะคําที่สามเสือไปแล้วกลายเป็นสามจานเนี่ยความตั้งใจอย่างหนึ่งนะมันบังคับไม่ได้อะนะเนี่ยมาคอยดูไปนะทุกอย่างในจิตเราเป็นของชั่วคราวเป็นของบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าเจริญปัญญานะแล้วมันจิตอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูแล้วจิตไอ้ที่จิตเป็นคนดูนะก็อย่าไปประคองอย่ารักษาจิตที่เป็นคนดูนะ ถ้าปกครองรักษาจิตที่เป็นคนดูจะไปติดสมถะอแบบหนึ่งร้ายแรงมากเลยแก้กันเป็นปีเลยนะงั้นบางคนบอกว่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆปะครองความรู้สึกตัวไว้นี่รันดอนนี่ไม่ได้เจริญปัญญานะเจริญปัญญาต้องดูกายดูใจมันทํางานแต่จิตที่เป็นคนดูไม่ใช่ไปรักษาตัวดูวนิ่งๆรักษาตัวดูให้เงียบๆเฉยๆอยู่ตลอดนะนั่นเป็นเรื่องสมถะธรรมฐานเราต้องเห็นอีกว่าตัวรู้ตัวดูเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด มันจะสลับกันไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดพอไปลงมือปฏิบัติก็เป็นผู้เพ่งเช่นพอรู้ลมหายใจแล้วก็ไปเพ่งลมหายใจบางทีก็แค่รู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจบางทีมันก็หลงไปคิดเรื่องอื่นเลยเนี่ยตัวผู้รู้เองก็แปรปรวนเป็นผู้คิดไปบ้างเป็นผู้เพ่งไปบ้างเป็นผู้รู้บ้างนะนั้นไม่มีอะไรที่คงที่เลยนะในกายในใจนี้ไม่มีอะไรคงที่เลยแม้กระทั่งตัวจิตที่เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด นี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะการภาวนาจิตตภาวนาการพัฒนาจิตนะการเจริญต้องเจริญสติเจริญปัญญาอย่างที่บอกนี่แหละเบื้องต้นฝึกให้ได้สติอัตโนมัตนะิวิธีฝึกให้ได้สติอัตโนมัติก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะและ้วรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปหรือดูจิตใจก็ได้จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้ จิตใจดีก th ็รู Braun, H ato. H ato. H ato. <S S ้จิตใจชั่วก็รู้เหมือนที่พุทธเจ้าสอนเลยนะดูกราพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะเนี่ยที่ท่านสอนคือหลักให้มีสติอัตโนมัตินั่นแหละดูกราพิสูจทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะไม่ได้ห้ามมีก็ได้แต่รู้ว่ามันมีเนี่ยหัดดูหัดรู้ไปนะดูกราพิสูจทั้งหลายความสุขเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความทุกข์เนี่ยก็ดูไปง่ายๆ ดูราฟิกสูตรทั้งหลายนะยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่รู้ตัวชัดๆอยู่นะใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันยืนคําว่ารู้ชัดไม่ใช่รู้ชัดแบบจ้องๆนะรู้ชัดหมายถึงรู้ชัดอยู่กับใจเลยว่าร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนจิตใจเป็นคนดูอยู่เนี่ยค่อยฝึกอย่างนี้แหละเรียกว่าฝึกสติปัฏฐานเพื่อให้มีสติพอได้สติคล้องตัวนะสติอัตโนมัติแล้วเนะี่ยกิเลสเกิดรู้ทันพุ๊บสีนอัตโนมัติเกิด จิตเคลื่อนไปฟุ้งซ่านปุ๊บรู้ทันสมาธิอัตโนมัติเกิดพระจิตตั้งมั่นแลนะมีสมาธิอัตโนมัติสติอัตโนมัติรู้กายรู้ใจที่เคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นเรียกสมาธิอัตโนมัตินะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็รู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้นี่เรียกสติอัตโนมัติมีสติอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งปัญญาจะเกิด ต้องฝึกจนกรทางปัญญาอัตโนมัติเกิดนะไม่ได้เจตนาจะให้มันเห็นใจรักษณ์แล้มันก็เห็นเองนะอย่างหลวงพ่อมองพวกเรานะไม่รู้สึกว่าเป็นคนนะแต่ไหนแต่ละมาละชักร่วมสิบกว่าปีก่อนมาละนะตั้งแต่ยังยังไม่บวชเลยเห็นคนเป็นแผ่นๆนะเป็นแบนๆโลกนี้ราบเรียบเหมือนกันหมดเลยเพราะสติปัญญามันแรงนะมันไม่รู้สึกว่านี่คนนี่สัตว์นะมันเห็นเรียบๆเบสมอกันไปหมดเลย แลวเวลาบางคนบอกเนี่ยไปฟังหลวงพ่อเทศเมื่อนั้นเมื่อนี้นนไม่รู้หรอกเวลานั่งอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะยกเวนเ้นแต่ ว, ว่ายกมือถามอะไเนียก็จะดูหน้าหน่อยอ๋อคนนี้คนนี้ถ้าอย่างนี้รู้สึกว่าเสมอกัไปหมดเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเท่าๆกับโลกข้างนอกนั่นเท่าๆกับห้องประชุมนี้แหละนะเนี่ยเราค่อยฝึกนะเชจนปัญญาอตโนมัติมันเกิดมันเห็นแต่ใจรักไม่ได้เจตนาจะเห็นใจรักมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะค่อยฝึกไปเรื่อยเลย ถ้ามไราสติสมาธิอัตโนมัติเกิดนะสีอัตโนมัติเกิดและอริยมรรคจะเกิดได้เวลาที่อริยมรรคจะเกิดจิตจะรวมลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาเพราะงั้นถ้าทําสมาธิจิตจะอยู่ที่ลมหายใจจิตจะอยู่ที่ท้องอริยมรรคจะไม่เกิดถ้าเวลาอริยมรรคเกิดจิตต้องรวมลงที่จิตเพราะงั้นสมาธิชนิดเดียวนะที่จะทําให้เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเท่า น, นั้นเองเรียกว่ารักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นอยู่ถึงจิตจริงๆ งั้ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นจิตก็รวมลงที่จิตนะสติไม่ต้องไประลึกของอื่นแล้วสติร ะ, ะลึกลงไปที่จิตเห็นสภาวะธรรมภายในเกิดดับอยู่ในจิตโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นนะปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นที่จิตเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะดับไปโดยอัตโนมัติเนี่ยฝึกอย่างนี้ได้นะถึงจุดอย่างที่สติศีล ส, สมาธิปัญญาประชุมลงที่จิตพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวกันเนะี่ยอาริยมามั ก, กจะเกิดขึ้นจะเกิดพลังที่มหาศาลของฝ่ายกุศลนะ ไปทําลายล้างอากุสลส่วนลึกในจิตใจของเราไดนะ้เพราะเราต้องฝึกนะไม่มีทางเลือกหรอกต้องฝึกเจริญสติปัฏฐานไว้แต่ไม่แนะนําให้อ่านหนังสือสติปัฏฐานสเปสปะนะถ้าอ่านอ่านในท่าใจพิจบทนะศติปัฏฐานจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะคนเขียนหนังสือเยอะแยะเลยอธิบายไปเรื่องกลติตทางเราดูจากท่าใจพิจดนะมั่นใจได้ ก็รู้สึกนะเรารู้สึกการู้สึกใจดูเขาทางานไปได้ทําได้อย่างนี้นะไม่นานเจวันเจเดือนเจปีก็พอจะได้มรรคในผลกับเขาบ้างแหละโสดาสักตาคาเนี่ยฆราวาสทําได้สบายๆเลยแต่ถึงขั้นอนาคาขึ้นไปเนี่ยนักบวชจะดีกว่าฆราวาสเพราะฆราวาสอย่างตามใจกิเลสมากอยู่นักบวชไม่มีโอกาสตามใจอย่างฆราวาสหิวข้าวตอนดึกใช่ไหม เออเดี๋ยวเราขับรถไปกินข้าวต้มนะจะกินข้าวถีก็เรื่องมากเดีนะ๋ยวไม่มีอะไรจะกินยังคงมาม่า ก, กินอีกนะพระล่ะไม่มีจะกินนะนะส่วนที่มีแอบกินอะไรนะั่นเป็นข้อยงเว้นหรอกพนะระปกติก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นเนะีเป็นพระเนะี่ยเป็นแม่ชีที่ดีนะมันจะตามใจกิเลสไม่ได้เลยนะไม่มีไม่มีจะตามใจ ตาะวาดบ้ากราบขึ้นมาก็ไปหาลูกหาเมียได้ใช่ไหมนี่สามีมีอะไรได้พระไม่ชีมันมีกิเลสการมเกิดขึ้นเนี่ยทุกขทรมานมากเห็นแต่ทุกแต่โทษของเรามีกรรมาคุณนะสาะวาดน่ะพระมีแต่กรรมโทษกามเกิดทีไรโทษเกิดทุกทีเลยทุกอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากได้ผ้าสวยๆก็ได้ผ้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแน่ไม่ได้อยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อน บงทีประเทศตรงที่นะหนาวหนาวนะแอร์จัดเย็ยนจัดเลยเสิร์ฟน้ําแข็งต้องป้งกรุเล็กเห็นก็กลัวแล้วเนี่ยพระนั้นจะไม่มีอย่างโยมเพราะฉะนั้นแต่ขั้นเบื้องต้นนะขั้นโสดาสกถาคาเนะี้โยมไม่แพบพระหรอกถ้ารู้หลักนะหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะพระบางองค์มาบอกเลยโยมทําได้อย่างไงตอนนั้นคุยกับหลวงพ่อเลยว่าโยมทําได้อย่างไง ถ้าทำา10ปี20ปไีได้ไม่เหมือนโยมเพราะเราทำอย่างที่สอนพวกเราทำนี่แหละทำให้มันเข้าแก่นเลยไม่ทำรูปๆคำๆมั่วซั่วอยู่จะได้เรื่องอะไรดังั้นพวกเราได้ฟังแล้วเอาไปทำนะมีซีดีหลวงพ่อไหมเขาคงยังมีแจกนะถ้าสงสัยอะไรในการปฏิบัติไปเปิดซีดีหลวงพ่อฟังนะไปสุมฟังดูมีคำตอบแน่นอนนะอยู่ในซีดี ไม่ต้องวิ่งไปถามใครหรอกให้มันวุ่นวายใจเปล่าๆดีไม่ดีก็พาหลวงทางไปอีกคนที่เรียนจัโลวงพ่อแล้วเขาได้ผลจริงๆนะพวกนี้เด็ดเดี่ยวนะไม่วิ่งว่นอนวิ่งไปที่นี้เรียนศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆพวกนี้ไม่เคยได้ผลในการปฏิบัติหรอกนะงั้นตั้งอกตั้งใจภาวนาของเราอยู่บ้านเรานี้แหละปลอดภัยดีสงสัยก็เปิดซีดีฟังมีคําตอบอยู่แล้วแล้วก็ใส่เกตเอาในเกตจิตใจของตัวเองเอาหนีความจริงไปไม่พ้นหรอก อ้าวันนี้สมควรใจเวลาหลวงพอปกติก็เทศ4สี่สิบห้านาทีนี่ก็ประมาณนั้นมัน้งค่ะราบขอบพคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงค่ะในระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่นะคะที่จะให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะจับฉลากนะได้ส่งารายงานการปฏิบัติกับหลวงพ่อนะคะค่ะขอเชิญท่านแรกเลยนะคะกราบนมัสการะคะ่ะหลวงพ่อ คือหนูเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติอะค่ะหนูยังให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าที่หนูทำมาเริ่มฝึกไม่ใช่สําคัญนะบางคนใช้เวลาแป๊บเดียวก็เป็นแล้วบางคนฝึกมานั้งสิปีก็ไม่เป็นก็มีดังนั้นเราฝึกให้มีความรู้สึกตัวเรื่อยๆนะจะยืนจะเดินจะทําอะไรก็คอยรู้สึกตัวอย่ใจลอยรู้จักใจลอยไหมเนี่ยใส่เสื้อรู้สึกตัวพอดีเลยอะแล้วทําอะไรก็รู้สึกตัวไว้ยิ้มแล้วรู้สึกไหมขยับหน้าแล้วรู้สึกไหมแต่อย่าจ้องนะจ้องยิ้มนะ ไม่ได้นะตอนนี้ใจแข็งแข็งมีไหมอ๋อถ้าใจแข็งแข็งเนี่ยแสดงว่าผิดแล้วแสดงว่าปังคับแล้วนะถ้ารู้สบสบายเห็นมันพยักหน้าเห็นมันเคลื่อนไวนหวอย่างเนี้ยใจอยากพูดเห็นไหม เ, หเอออย่างนี้นี่เรียกว่าปฏิบัตินะเดี๋ยร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวไอยากพูดขึ้นมามันดันขึ้นอย่าเนี้ยเรารู้นี่แหละปฏิบัติอ่ะจะยากอะไร ใครๆก็รู้กายใครๆก็รู้ใจได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองคือเวลาพอพอเราเห็นความโกรธหรือ ว, ว่าความเกลียดมันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใจเรามันไม่เป็นกลาง น, ะะนั่นแหละให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะลูกศิษย์รุ่นหลังๆนะั้นได้เปรียบนะรุ่นแรกๆนะบางคนเขาตัดท้อต่อว่าหลวงพอพราเราเคได้ยนินชื่ออาจารย์สุรวัตรไหมเขียนหนังสือมาเยอะบอกตอนสมัยผมเรียนนะ หลวงพ่อสอนแค่ไม่เผลอไม่เพ่งสอนอยู่สองคำเองอะที่เหลือให้หาเอาเองมาหลังๆนี่ง่ายๆพวกนี้เร็วได้ได้เปรียบนะทุกวันนี้หลวงพ่อสอนละเอียดยิบเลยถ้าเราเอาไปทํานะง่ายมากเลยใจลอยหรือ ย, ยังลอยแล้วค่ะเออใจลอยแล้วก็รู้เอาอยีา ย, ยากอะไรไม่ใช่ห้ามใจลอยเห็นไหมใจดีนะยนอย่างเดีกับหลวงพ่อใจลอยก็ได้โลภ ก, ก็ได้โกรธก็ได้หลงก็ได้นินทาหลวงพ่อในใจก็ได้แต่อย่าเอ่ยปากนะ เนี่ยเราคอยรู้เอานะรู้อย่างที่เขาเป็นไปฝึกเอาไม่ยากอะไรดอกขอบคุณค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยขยันสัหน่อยเท่านั้นแหละขยันไหมช่วงนี้ขี้เกียจค่ะอะไรนะช่วงนี้ขี้เกียจค่ะโอ้น้ำอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอื่นหรอกปัญหาขี้เกียจดูๆๆเท่านั้นแหละดูบ่อยๆสิอยากได้ของดีก็ต้องดูเอาเอง ฝึกนะจะรู้ว่าคุ้มที่สุดเลยในชีวิตทางโลกนะหลวงพ่อ เ, เขาทำอะไรมาเยอะเรียนหนังสือก็เรียนเยอะงานการก็ทำงานก็ดีเงินเดือนก็เยอะอไย่างงี้แต่รู้เลยว่าไม่มีสาระจริงสุดท้ายเลือกที่จะปฏิบัติพมดภาระทางโลกก็ามาบวชอได้ปฏิบัติเต็มที่หน่อยดังนันพวกเราอย่าไปลงกับโลกมากนะ อยู่กับโลกก็ปฏิบัติทำให้เต็มที่ไปและชีวิตมันจะรู้เลยว่าอะไรมีคุณค่าชีวิตทางโลกไม่ได้มีคุณค่าจริงทรัพย์สินเงินทองไม่มีคุณค่าจริงหรอกของอาศัยมีกินมีใช้ไปเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเราจะมีความสุขหรือเปล่าคนมีเงินเยอะๆไม่ได้มีความสุขเสมอไปนะ ชื่อเสียงเกียรติยศไม่ได้ทําให้คนมีความสุขบางคนเบื่อชื่อเสียงเกียรติยศเลยเบางคนเกิดเป็นเจ้าไม่อยากจะเป็นอ่ะอยากเป็นสามัญชนเบื่อไปไหนคนก็ตามชื่อเสียงเกียรติยศก็ไม่ใช่คําตอบทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ใช่คําตอบรูปร่างหน้าตาก็ไม่ใช่คําตอบแล้วถ้าเรารู้เราภาวนานะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอยู่ในใจของเราเอง จะไปหลงกับโลกมากนะักไม่มีสาระหรอกไปไปทําเอาขอบคุณค่ณะหลวงพ่อน้าว่ามาเลยตอนนี้เพ่งไหมตอนนี้เพ่งอยู่เปล่าเพ่งอยู่ครับเออเพ่งมันจะแน่นๆเนาะครับถ้าแน่นๆก็เร า, เ ร, ารู้ทันไม่ว่ามันหรอกก็รู้อยู่ตอนนี้เพ่งอยู่ครับสังเกตไหมว่ากายกระใจเขาเป็นคนอ่าน ดูออกแล้วใช่ไหมดูแลครับเออขันทีแยกแล้วถ้านั้นเห็นไหมใจอยากพูดเห็นนะครับเออเห็นแล้วจะถามอะไรอ่ะทุกอย่างก็แสดงให้ดูก่อแล้วกายก็เป็นยังไงก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้ไม่มีคําถามแล้วรู้อย่างที่เขาเป็นสิเอาเอาให้ถามร่มใจเอาว่ามาเดือนกว่าครับได้ส่งซีดีของหลวงพ่อโอ้เดือนกว่าทําได้ขนาดแยกขันแล้วเนาะแล้วก็ วันแรกวันวันแรกนี่ฟังฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยนอนไม่หลับสองวันสองคืนครับเออดีครับเลยได้ภาวนาสองวันสองคืนก็เห็นร่างเห็นกายตัวเองนอนไปพลิกมาอะไรพวกนี้แสดงว่าสองวันก็แยกขันแล้วครับแล้วก็ก็ดูดูกิจด้วยดูดูกายด้วยสลับไปสลับมาถ้าคิดก็ดูถ้าไม่คิดก็ดูกายนะครับอเ ตอนเย็นพอทำงานเสร็จก็ตอนดึกก็ไปไนั่งสมาธิก็เห็ น, เ ห, นเห็นกายตัวเองอเห็นกายตัวเองเวลากราบเวลาไหว้เวลานั่งเห็ น, ม ห, นหมดนะครับดีนะของเก่ามันมีเนาะสองวันก็เป็นละแยกขันได้ในสองวันนี้สถิติใหม่ <laughs> ดีต่อไปนี้เราก็ดูเขาทำงานไปเรื่อยนะ เห็นร่างกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานปัญญามันจะค่อยๆเกิดมันจะรู้มันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองเห็นไหมใจมันคิดได้เองครับผมทำงานได้เองนั่นแหละดีสลวงพอถึงว่ามเห็นที่มีคําถามเลยอ่ะต่อไปเนี่ยเห็นจนขันมันแย้งหัวแล้วไปดูดูต่อเท่านั้นเอง ครั้งแรกค่ะที่ได้พบหลวงพ่อแล้วก็ส่งกันบ้านฟังมานานแล้วค่ะแล้วก็เห็นไมมหมว่าเดี๋ยวนี้แต่เมื่อก่อนเราไม่เหมือนกันหน้ามือเป็นหลังมือค่ะหลวงพอ่อเราทุกคนก็อนุโมทนากันหนูแล้วเสร็จแล้วเนี่ยที่หนูฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคําถามมีคําตอบแต่มีครั้งนี้ที่หนูคิดว่าหนูต้องคงต้องถามค่ะหลวงพอ่อเพราะว่าการปฏิบัติมันเปลี่ยนไปมากๆตลอดเปลี่ยนไจตลอด แล้วครั้งนี้การปฏิบัติซึ่งซึ่งหนูตามดูการเกิดดับของรูปนามข้างในเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วมันก็อยู่ในตรงนี้ซุปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีความเบาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนมันตัดปั๊บเปล่าเลยแล้วก็มันมีการที่มันแหวกออกมาจากข้างล่างซึ่งมันมันผิดปกติจากที่หนูปฏิบัติมาแล้วหนูก็อยากถามหนูพ่อทั้งตลอดก็ ก็ได้แต่ถามในใจแบบฟังแล้วก็ถามในใจแล้วโอกาสมีโอกาสครั้งนี้ได้มาเชียงใหม่เห็นรูปหลวงพ่อแล้ววันที่ยี่สิบห้านูก็เลยรอรอจะถึงวันนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเปลี่ยนไปเยอะค่ะแล้วก็ก็ดีแล้วล่ะก็มีหน้าที่ภาวนาต่อไปนะอย่าใจยังเข้าไปยึดไปถืออะไรแล้วก็คอยรู้เอามันก็ยังทุกข์อยู่ส่วนจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่ใช่สําคัญเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเราภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ ยังทุกอยู่ก็พอนาไปอีกดีให้ทำอีกแต่อย่าเป็นสำคัญมั่นหมายนะว่าเป็นโน่นเป็นนี่นะเดี๋ยวที่เหลืรอเสังเกตเอาว่าความรู้สึกว่าเป็นตัวเรายังมีอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีเราอยู่ก็ไม่ใช่ทะโสดาบันมันจะขาดแบบต้องไปดูตอนที่ไม่ได้เจตนาตอนเผลอๆแล้วแอบชำเลืองถึงจะเห็น ว่ามีหรือไม่มีบางคนนะานาวนากระทั่งพระนะประส่์กันบ้านหลวงพ่อท่านที่ทว่าเป็นพระลราหารนะันวะหลวงพ่อเอ๊ะจะทําไงดีบอกไหนท่านลาเข้าสมาธิซิเข้าสมาธิปุ๊บจิตวิ่งทรวดไปพรมโลกเลยนะพอเห็นไหมว่าจิตเคลื่อนไปเห็นโอไม่ใช่พระลราหันมัง้งจิตยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะพอบอกไม่ใช่พระลราหันมั้งนะใจแป้วเลยหลวงพ่อได้โอกาสเห็นไหมใจแป้ว เห็โอ้ไม่ใช่ผ้าอนาคาหลอกไล่สักพักเดี๋ยวหมดเลยไปดูต่อน ะ, อะดูอะไรดูกิเลสเราตัดสินกันที่ตัวกิเลสนี่แหละงั้นอย่างบางคนบรรลุมรรคผลอะไรนะี่ะนะมันจะเกิดปัจเจเบณาญาณปัจเจเบณาญาณเนี่ยทุกทัวรเนี่ยไปดูกิเลสว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละแต่ว่าการดูกิเลสเนี่ยต้องดูทีเพลอ ถ้าจิตไปติดสมาธิว่างๆสว่างอยู่นะนิ่งๆเฉยๆอยู่ดูแล้วเหมือนไม่มีกิเลสเพราะอันนั้นพอสมาธิมันข่มไว้ต้องดูตอนที่ใจเป็นคนธรรมดาไม่ได้เข้าสมาธิไม่ติดในสมาธนะิตอนนี้จิตติดอยู่กับสมาธิไหมสังเกตสิตอนนี้ใช่ไห ม, อมตอนนี้มันมนเัเกงรงๆค่ะเจอหลวงพ่อจะเกรงแล้วก็เออแต่ว่าเ ว, เวลาคือฟังหลวงพ่อคุ่ แล้วเวลาถ้าถ้าอยู่อยู่แล้วเขาก็จะกลับมาอยู่ของเขาอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ฟังแล้วก็แยกต้องแยกขันไปเรื่อยๆนะอย่าเลิกแยกขันต้องทําอีกแต่หนูแต่นูก็จากขอบคุณหลวงพ่อมากที่ทําให้ชีวิตหนูเปลี่ยนแล้วหนูก็ไม่ได้หวังอะไรเลยที่แต่รู้แค่นั้นว่ากลับพระพุทธเจ้านะของหนูเนี่ยกลับแล้วถึงจริงๆนะเขาว่าใจมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆที่พูดอ่ะดีบางคนมันพูดไปอย่างนั้นแหละใจมันไม่เป็น จบเลยค่ะดีขอบพระคุ ณ, ค, ณ, รรณครับหลวงพ่อกลับราศการครับหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้เจอหลวงพ่อตัวเป็นๆครั้งแรกเจอที่นิวยอร์กธรรมรา ม, มาครับที่คุณสวิทแนะนําไปเมื่อครั<ะ>้งที่นิวยอร์กเช่ไหรครับครแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็มาเจ อ, อตัวจริงก็รู้สึกตื้นตันแล้วก็ตื่นเต้นนะครับก็ไม่มีอะไรครับคือเป็นช่วงสอบแสวงหาอาจารย์แล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ที่ ท, ที่เมืองไทยแล้วก็ได้เจอพระอาจารย์ ไม่ใช่ไปหาอาจารย์ที่ไหนนะจะบอกให้เราเอากายเอาใจเราเนี่ยเป็นครูสอนธรรมะเรานคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็มีเครื่องมือในการที่เรียนนะมีมสติมีสมาธิมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เรียนรู้อยู่ในกายในใจธรรมะของจริงไม่มีใครสอนใครได้บอกได้แต่วิธีการพร<น>ะพุทธเจ้าท่านก็ บ, บอกท่านเป็นผู้บอกทางนั้น ส่วนจะจะเห็นธรรมหรือไม่เห็นธรรมเราต้องดูเอาเองนะอย่าไปเที่ยวหาธรรมะที่ไหนไกลตัวนะธรรมะอยู่กับเราเี่ไปทําเอาไปใช้ได้อยู่ขันแยกเป็นแนละ้วนั่นแหละดีมาถึงวันนี้เรื่องแยกขันเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะทําคนแยกขันเป็นนี่แยกๆไปหมดแล้วก็เริ่มเห็นขันแสดงใจรักถ้าลงเห็นขันแสดงใจรักได้จริงๆนะนี่แหละเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี ถ้าขันยังไม่แสดงใจรักให้ดูอย่าเพิ่งนับนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเ็ดปียังไม่เริ่มต้นเลยังไม่ได้ปฏิบัติเลยกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งการบ้านในรอบปีครึ่งเจ้าค่ะอยังติดเพ่งอยู่นะเจ้าค่ะเออนะดูอยู่ก็ดีแล้วแล้วออใจไม่เป็นกลางเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ตั้งมั่นด้วยได้รู้เอาอย่าหยากนะ อยากให้มันดีอยากให้มันเลิกเพ่งอยากให้มันเป็นกลางอยากรู้สึกตัวให้สบายไม่มีประโยชน์รู้ว่ายังเพ่งอยู่รู้ว่ายังติดอยู่แลดีแล้วทีนี้เห็นจิตมันคิดนึกปรุงแต่งของมันได้เองเจ้าค่ะใช่ค่ะนั้นแหละเห็นจิตแสดงอนัตตาออตอนนี้ยังอยู่ในในลู่ในทางไม่จ้าค่ะยังอยู่นะยังอยู่ ไปดูให้สบายใจน ะ, ยะอย่าทิ้งคาว่าสบายใจเจ้าค่ะพยายามที่จ ะ, ะผ่อนคลา ย, ยเออต้องผ่อนคลายที่สุดนี้มีอะไรที่ต้องดูเป็นพิเศษไหมเจ้าคะไม่มีรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ได้ใจที่ผ่อนคลายรู้ได้ใจที่เป็นกลางก็เท่า น, นั้นเองกราบกขอพระคุณเจ้าค่ะขอโอกาสออกรับหลวพ่อจิตแบกกิเลสออกมาครับ จิตแหวกกิเลสออกมาจิตอะไรนะแหวกกิเลสออกมาครับรอแล้วเป็นไงอ่ะก็มันบอกไม่ถูกครับอี่าไปเชื่อมันครับอย่าไปเชื่อมันนะครับมันมีเงาตดำๆข้ามปบแล้วมันก็ปิดกลับมาปิดอีกทีนั่นแหละอยเชื่อมันไม่เชื่อมันหลอกใช่ไหมมันหลอกอ๋อครับขอบคุณครับไปดูต่อนะอย่ารี่ร้อนครับนะ ใช่เราอยากผ่านเร็วๆยิ่งช้าครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมี่าไเชื่อมันนะครับผมนั่นแหละประโยชนนี้แหละครับอ้าต่อไปครับครับกลาบในวัฏสการหลวงพ่อครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสกลับเรียนว่าเมื่อได้ปฏิบัติอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเริ่มต้นในการฝึกสมาธิบ้างนะครับแต่ก็เจออุปสรรคเช่น ปวดเมื่อยบ้างจิตอยู่ได้ไปนานก็วกแวกบ้างคิดอะไรเรื่องอื่นๆนะครับแต่ก็พยายามที่จะอะมีสติเช่นตื่นเช้าขึ้นมาหยิบผ้าเช็ดตัวที่จะเข้าห้องน้ําก็ให้รู้ว่าหยิบผ้าเช็ดตัวเวลาแปรงฟันก็ให้รู้ว่าแปรงฟันแต่ก็มีวอกแวกบ้างนะครับก็กลับในพิธการว่าปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่จะเริ่มต้นใช้ได้นะนครับเห็นความเ ป, ปลี่ยนแปลงไหมล่ะเห็นไหมว้าไม่เหมือนเมื่อก่อน ทำถูกแล้วนะครับธรรมของพระเทเจ้าอัศจรรย์มากนะถ้าเราทําถูกเนะี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงในเวลารวดเร็วพวกเดรัจฉีถึงขนาดเตือนกันว่าอย่าไปกุยพระสมณพระโคดมนะพระสมณพรโคดมมีมนเปลี่ยนใจรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนครับรู้สึกครับเออนั่นแหละเริ่มได้ยินมนของพระสมณพรโคดมแล้ว <c oughs> <c oughs> ดีไปทำดีครับกลับมาคุ้มครับ คอยดูตัวนี้ด้วยนะตัวเชื่อมัน่นตัวมันนะอัตตาตัวอะไรพวกนี้นะแมื่มันผุดขึ้นมาเราก็คอยรู้ทันนะต่อไปจะเด่นขึ้นมัเก็รู้เอาครั บ, บกลักนวัตกรรหลวงพ่อปาโมต์ครับก็ส่งกันบ้างครับหลวงพ่อครับก็ผมก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ สภาวะใดเกิดขึ้นก็ไม่ได้รักษาไว้นะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็ดีมากนะครับก็เลยช่วงประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่มเวลาปฏิบัติตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าไม่รู้ตัวว่ามีความอยากปฏิบัติแทรกนะครับก็เลยมไม่ค่อยได้ผลนะครับพ อ, อรู้สักสามสี่วั น, นก็คลายไปก็รู้สึกว่ า, าความจงใจรู้เนี่ยมันจะ ใายแล้วก็เบาลงไปครับแล้วละ่ะครับไม่ทราบว่าของผมนี่ตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างอยู่ในร่องในรอยไหมครับอยู่สินะทังทำต่อทำถูกแล้วละ่ะแต่คอยสังเกตอันหนึ่งเวลาใจของเราเนี่ยมันไม่ถึงฐานจริงๆนะที่มันจะว่างแต่มันจะอยู่ว่างๆอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะสบายสบาย ถ้ามันรู้สึกว่าแต่ละวันก็สบายสบายวันนี้ก็สบายสบายวันต่อไปก็สบายสบๆนี่พยายามย้อนมาดูกายดูใจบ่อยๆจะได้ไม่ไปติดในความว่างความสบายมันจะเป็นกับดักที่หลอกพวกนักดูจิตว่าความว่างๆอย่าไปเชื่อมันกลับมาดูกายดูใจมาดูตัวทุกข์ไว้เพราะกายกับใจนี่พอเราดูแล้วจะเห็นตัวทุกข์นะเพราะมันไปว่างไปสว่างอยู่มันสบายมีความสุขไม่ทุกข์คนส่วนใหญ่ก็เลยชอบ ก็จะไปติดอยู่ที่ว่างๆพยายามย้อนมาดูกายดูใจบ่อยๆนะจะพ้นไปได้ขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับของผมควรเสริมด้วยการทำในรูปแบบด้วยไหมครับในรูปแบบทำได้ก็ดีนะเป็นประโยชน์จะทำให้จิตมีพลังมากขึ้นทำในรูปแบบก็ไว้พระสวดมนต์วันไหนฟุ้งซ่านก็ทำสมถะพุโทโธไปหายใจไปรู้สึกตัวไป จิตหนะนี้ไปแล้วก็รู้จิตนี้ไปแล้วรู้ฝึกงันะวันไหนมีแรงแล้วนะทําความรู้สึกตัวดูกายเขาทำงานดูใจเ้าทํางาน<ม>เดินปัญญาไปเลยในจะาการทํารูปแบบถ้าสมาธิไม่พอก็ทําสมาธิให้จิตใจตั้งมัน่นมีเร็วมีแรงขึ้นมานะรพอพอคราบขอบพระคุณครับน้ำมัสการณุณพ่อครับวันนี้ตั้งใจจะประสบกันบ้าน แต่พ่อไม่ตากุณาลงรายละเอียดก็เข้าใจแล้วครับไม่ไม่ส่งแล้วขอให้คนอื่นกลับกลับกระบวนการครับของโยมไม่ส่งก็ไม่ว่านะก็ดีแล้วล่ะที่ภาวนานะแต่เราคอยสังเกตดูใช่ใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็รู้ไม่ว่ามันนะใช่ใจมันฟุ้งก็รู้ใจมันสงบก็รู้นะใจสบายก็รู้ใจเครียดขึ้นมาก็รู้ดูอย่างนี้เรื่อยๆสบายๆายไปมรดกการหลวงพ่อครับ ตอนนี้ใจปก ต, ติไหมไม่ปกติให้รู้ทันตื่นเ<า>ต้นตขอโอกาสถามคาถามสี่ข้อนะครับคือเรื่องที่จะเล่าก็คือ อ, อกหักครับเมื่อปลายปีที่แล้วและทีนี้จิตมันก็จมจอมอยู่กับเรื่องที่คิดอยู่เป็นเดือนๆเลยนะครับแลวมีอยู่วันนึงกำลังจะเดินออกจากห้องน้ำนะครับกำลังจะปิดไฟก็เห็นความเศร้าจากกลางอก มันตกลงมาตรงท้องน้อยนะคะรับแล้วก็เห็นความเสียใจมันก็เลาะกำลังลอยขึ้นมาเ อ, เอนแล้วตร ง, ตรงลู ก, กตาของเราเรารู้สึกว่าน้ําตามันกำลังจะไหลแเออแล้วความเสียใจมันก็มาเรื่อยเรื่อยเราก็ออโอเคเดี๋ยวเรากำลังรลอมไห้แล้วนะออขอประธานโทษนะครับแล้วมันก็มีเสียงดังขึ้นมาในหัวของเราะครับร้องไห้หาพ่อมึนเลยโอ้ธรรมะนี่สอนดีนะ แล้วเขาทำนิสัยดีแล้วหลังจากนั้นมาเราก็หลุดออกมาจาสภาวะที่อกหักน ะ, นะคะนะรับแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณหกเดือนนะคะับกำลังถูพื้นอยู่เอถูพื้นอยู่แล้วก็เปิดทีวีไปด้วยแล้วก็มีข่าวอืเราก็รับรู้ข่าวสารเหมือนแตเน่เหมือนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาะคะ่ะแต่พอใกล้จะจบข่าวนั้นเนื้อความของข่าวมัน ไปโยงกับคนคนนั้นนะครับอหน้าเขาก็กระเด้งขึ้นมาในในในความรู้สึในความคิดของเราแต่เราเห็นละแล้วก็หน้าเขาก็หายไปแล้วเราก็ถูพื้นต่อเราเราทุกอย่างแล้วเราก็ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ฟังเทปหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงถามเรื่องจิตเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าคําถามที่หนึ่งก็คือจะถามว่า ผมเห็นจิตเกิดดับหรือว่ารู้เรื่องที่จิตคิดครับเห็นสิมันเห็นสภาวะจริงๆนะความรู้สึกจะผุดเลยเนี่ยเรารู้ทันนะมันก็ดับไปเลยเนี่ยนั<ช>่นแเห็นจริงๆถ้าเห็นไม่จริงนะมันแยกขันไม่ได้หรอกใช่ครับเ ร, เรื่องที่สองนะครับเมื่อต้นปีได้ไปเที่ยวที่ภูเก็ต น, นะครับขณะที่กำลังนั่งรถตู้อยู่นั้นกาลังแบบเรากำลังดูวิวดูทิวทัศน์อยู่ อยู่ๆจิตมันก็ทักตัวเองขึ้นมาครับว่าหลงไปแล้วรู้ตัวหรือเปล่าไม่ดาาพ่ออีกนะครับนี้<อ>มันทักเฉยๆ<อ>มันไม่ดา่าครับ <laughs> พอพอจิตมันทักขึ้นมาเราก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ลูยลงนะครับแลวในขณะนั้นทางทางด้านซ้ายมือเราเห็นรถบรรทุกมันคุ่งเข้ามาหารถของเรานะครับแล้วก็คนขับรถ เขาเหมือนจะเปลี่ยนเกียร์ผิดหรือเหยียบคันผิดจังหวะนะครับรถ <Ừ. S 1> ในมันกําลังวิ่งอยู่มันก็กระชากนะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็เห็นจิตมันหล่นรูปลงไปออแล้วพึ่มเหมือนมันกลัวว่าตายแน่แล้วคราวนี้ อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยครับจะถามว่าในขณะที่เราเห็นจิตมันหล่นรูปลงไปนยครับถ้าวันนั้นโดนรถชนตายจริงๆจะไปอภ า, ายหรือเปล่าครับไม่ไปขณะนั้นจะไม่ไปอภ า, ายนะเพราะจิตขณะนั้นเป็นจิตกุศลที่เป็นอัตโนมัติ เราไม่ได้เจตนาจะเห็นนะเห็นกระบวนการทำงานถ้าตายไปก็เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาจะไม่เป็นปลอมขอบคุณครับข้อที่สามนะครับคือจะเห็นตัวเองในกระจกตอนกลางคืนนะครับเป็นเห็นตัวเองเป็นศพนะครับแล้วคือจะเห็นเป็นระยะระยะเห็นครั้งแรกก็ตกใจก็คือมันเขียวๆเหมือนเหมือนเน่าไปเลยนะครับแต่ก็ไม่กล้ามองก็คือจะเบือนหน้าหนีนะครับ จนครั้งสุดท้ายเนี่ยครับมันจิตมันก็สอนตัวเองว่าก็มันมีให้เห็นนะ <c oughs> ก็ดูรู้เออรู้สึกสอนเก่งนะ <c oughs> ใช่ครับเออจะถามเ อ, อพอเราก็มองไปเรื่อยๆนะครับมันก็เริ่มเนา่าเริ่มเนา่าแล้วหนังมันก็หลุดออกมาออแล้วน้ําเหลืองมันก็ไหลแล้วที่ ม, มันก็เหมือนคนดูต่อไปไม่ได้ะครับจะถามว่าถ้าจะทําอสุพะต้องเริ่มต้นยังไงและควรจะท า, าอยู่แล้วนะ แสดงว่าพอจิตมันมีสมาธินั่นะของเก่ามันก็ขึ้นมาแสดงอสุภะให้ดูอยู่เราจะต้องไปดูศพจริงๆไหมไม่ต้องไม่ต้องไ ม, ต, งไมต้องหรอกนะคือโอเคครับเ อ, อที่หลวงพ่อทักเมื่อกี้แล้วจะถามว่าจิตมันสอนจิตได้ด้วยใช่ไหมครับได้บางทีมเทพให้ฟังได้เป็นเรื่องๆ เ, เลยนะเคยเคยไปเข้าคอร์สนะครับแล้วก็ตัวผีที่เพราะว่าไปอยู่บัด วัดมานะครับก็เลยเพ่งเพ่งทั้งเจ็ดคืนแปดวันเลยนะครับแล้วทีนี้มันก็เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ใช่สียิ่งข ย, ยันเพ่งก็ยิ่งเห็นเลย <c oughs> ไปเห็นแบบแสงอาทิตย์ขาด <c oughs> เป็นท่อนๆเอ <c oughs> อย่างเวลาเขาเคาะระครังแล้วคลื่นเสียงมันก็มากระแทกกับเราแล้วทีนี้ทุกวันนี้ไม่ ไ, มได้ทําในรูปแบบเลยแต่คิดว่ากําลังอยากจะเริ่มทํา ทำก็ได้นะแต่ระวังเรื่องจะติดสมาธินะอาการห่อสมาธิาต่างๆนานาจะเกิดขึ้นให้รู้ทันด้วยใจเป็นกลางไปคือที่ที่ก่อนหน้านี้ไม่ทำเพราะว่ากลัวจะติดนะคบทำให้หน่อยก็ดีนะไม่ทำนานๆจะฟุง้งซ่านครับแล้วถ้าสมมติมันมันชอบขึ้นมาเราจะวางใจยังไงให้วางใจอะไรถ้ามันชอบสมาธิจริงๆแล้วก็ไปเป็นคระปลงไม่อยากเป็น <laughs> ถ้าถ้าจิตมันได้สมาธิมีความสุขนะแล้วจิตมันพอใจเรารู้ว่ามันพอใจจะไม่ติดพวกที่ติดเนี่ยนะพอพอใจแล้วไม่รู้มันมันมันคิดว่ากูเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเรารู้ทันนะไม่เป็นไรแล้วแล้วมันจะเห็นอะไรเยอะขึ้นหรือเปล่าครับเราเราทำให้มันไม่เห็นได้ไหมถ้ามีสติรู้ทันกายรู้ทันใจของเรานะมันจะไม่ออกไปเห็นข้างนอก งั้นถ้าพอสมาธิเรากระจายตัวแผ่ออกไปไม่ไปรับรู้ข้างนอกเราก็อย่าไปดูเหมือนกลับมาดูที่ใจของเราใจเรากลัวก็รู้ใจเราเป็นอะไรก็ค่อยรู้รู้อยู่ที่ใจแล้วอย่างอันนี้นอกเรื่องอาจจะดูลายสารานิด น, นึงคือเคยอ่านหนังสืออยู่นะครับอ่านไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรก็อ่านรับรู้เนื้อหาไปเรื่อยๆ แล้วอยู่ดีๆก็เห็นจิตมันไปอยู่ที่หนังสือออนรับได้ลยดีแล้วแล้วเราก็รู้ตัวว่าตัวเราอยู่ตรงนี้แล้วจิตไปอยู่ตรงนู้นแล้วมันก็ตกใจอ่ะอืมนั่นแหละปาติมันก็ออกงั้เลยเนี่ยเราพูดเลยียว่าจิตออกนอกออกไปทางตาออกไปทางหูออกไปทางใจออกไปแบบเดียวกันแต่อีกจิตอีกใจหนึ่งมันก็รู้สึกดีใจที่เห็นเห็นมันแยกออกจากกันได้ดีอย่า ง, างนี้มันจะหลงไปหรือเปล่าไม่หลง ตรงที่มันไปอยู่ที่หนังสือแล้วไม่เห็นนั่นหลงตรงที่รู้ว่าไปอยู่ที่หนังสือตรงนี้ยเป็นกุศลอย่างใหญ่จิตจะตั้งมั่นเข้าฐานเลยใช่ค่ะมันขนลุกไปท้งตัวไป เ, ยเอยคนที่สมาธิแก่โลดโผนหน่อยอะคนต่อไปครับ ก, การบรรลุสการครับหลวงพ่อครับส่งกันบ้านรอบระยะเห้าเดือนนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่ผมยังยังมีความรู้สึกว่าจิตนั้นติด อ, อาการซึม อยู่นะคเวลาการปฏิบัติรือว่าในเรื่องของเอ่อการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะไม่ทราบว่าในตัววิธีแก้มันจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะแก้ดีที่ปฏิบัติออกมาไม่ไม่ไมไมติดซึมมากนักแล้วไม่ค่อยติดแล้วครัถ้าเรารู้ทันไม่ติดครับอีก จ, จุดหนึ่งไอ้สภาวะอารมณ์ภายนอกที่มันเข้ามากระทบเนมันเหมือนจิต ใจไม่ค่อยใจมันไม่ค่อยที่จะไปไปให้ค่าในในสิ่งต่างๆไม่ว่าดีก็ตามชั่วก็ตามมันเหมือนมันเหมือนคนไม่เอาอะไรนะครับอาจารย์เมื่อไหล่ภาวนาแล้วใจมันจืดจืดอย่างนี้เป็นธรรมดาครับเป็นอยู่ช่วงหนึ่งอีกอีกส่วนส่วนหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นเป็นนอกเรื่องนิดหนึ่งบางทีเรามองไปในอากาศอะไรต่างๆนี่มันเห็นเม็ดอะไรมันเป็นเม็ดเม็ดเพราะนั้นเราเราสติรุนแรงไป แม้กระทั่งหลับตาก็มองเลย <นะ S 1> อากาศนี่จะเป็นเม็ดๆน ะ, นะแต่นั้นเร่งสติมากไปนะทารู้สึกให้มันสบายๆอย่าจงใจรู้ครับกันบ้านต่อไปครับอาจารย์ครับกันบ้านการบ้านมีอะไรทําสูกแล้วล่ะแต่อย่าเล่นอะไรเยอะเกินดูกายดูใจไปสบายๆนะถ้าเล่นมากคนเดียวของเล่นมันมาครับขอบคุณครับเป็นคนเล่นแต่ของเล่นนะของจริงเลยไม่เอาเลย มันมีอะไรให้เล่นเยอะมพัสการค่ะเพอเอหนูฟังซีดีมาประมาณปีกว่าค่ะแล้วก็แรกๆเลยเนี่ยคืออยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วอยูอ่กรุงเทพค่ะเวลาคือทำงานเยอะค่ะฟุง้งซ่างโทรศัพท์จริตแรงแล้วก็ช่างติเตียนพอเริ่ม เริ่มฟังซีดีก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเนาะก็พยายามที่จะกลับมาดูตัวเองมากขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาแต่ว่าก็ดูจิตเลยไม่ได้ค่ะพอฟุ้งซ่าน ม, มากดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปค่ะพอก็เริ่มเริ่มจริงจริงจังมาประมาณเก้าอาทิตย์นะคะก็เริ่มดูกายหยาบหยาบเพราะว่า รู้สึกว่ามีสติดีขึ้นแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะกลัวเข้าข้างตัวเองค่ะมันท้อเหมือนกับว่าเวลาเราเราเคยไปอยู่บ้านเพื่อนนะคะลูกเขาร้องแล้วเราตื่นมาตอนตอนดึกใหญ่ะนะลูกเขาร้องค่ะแล้วเราตื่นมานะคะ่ะแล้วเราเห็นว่าเวลาเราไปรูปรูปเขาเนี่ยมืออะไรก็ไม่รูู้ปอยู่ <c oughs> แต่เราก็บอกกังว่าพิ่เข้าข้างตัวเองคือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่เราฟังมาหรอกอเราเห็นรูปเลย <c oughs> เห็นตัวรูปไม่ใช่คนหรอก แล้วต่อมาก็อธิตย์ท้ไปส่งกันบ้านที่ A อค่ะวันนั้นหนูแบบเพ่งตัวเองไว้อย่างแรงค่ ะ, ะจ ะ, ะกราบหลวงพ่อใกล้ชิดเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากก็เพ่งเอาไว้แต่ว่าก็ส่งกันบ้านค่ะหลวงพ่อบอกว่าหนูคิดล้ําไปแล้วก็มันก็เราก็รู้ค่ะแต่วันนั้นเป็นวันที่วันแรกที่คําว่าอ ะ, อะไรที่ผุดขึ้นมาจากกลางอกเป็นยังไงหนูคือเพิ่งรู้เป็นครั้งแรก ในวันนั้นก็คือรู้ว่ามีความโกรธพุด ข, ขึ้นมาจาก<ช>อารมณ์เดิมที่โกรธลูกน้องแล้วแต่พอเราโกรธปุ๊บก็ตัดหายไปแ ล, แ, ลแล้วด้วยความดีใจว่าเราเห็นแล้วปิติก็มาทันทีแล้วก็ความโกรธหายไปช่วย<ช>ทให้เราได้เรียนรู้ละอย่างหนึ่งว่าเราก็ดูต่อไปอีกนะปิติปุดขึ้นมาปิติก็หายไปค่ะหายค่ะหายทันทีเหมือนกันนั่นแหละดูไปเรื่อยนะะ <ขา S 2> แล้วสุดท้ายมราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ ถ้าใจมันยอมตรงนี้ได้นะเราอยู่บนโลกสบายขึ้นเยอะเลยเพราะตัวอย่างนี้ชั่วคราวไป็นหมดเลยเหมือนฝันอยู่แล้วก็เริ่มเริ่มเห็นอะไรที่มันละเอียดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเหมือนก็รู้ว่ามายาของผู้หญิงเป็นยังไงค่ะอย่างเช่นว่าเหมือนกับแกล้งทําดีหรือทําดีไม่ได้แกล้งเรารู้ว่าเราทําแต่ว่าข้างล่างไอ้กิเลสที่มันซ่อนอยู่ใต้ใต้ใต้กุญี์หรือใต้อะไรมันก็ให้เห็นอีกอันหนึ่งว่ามันไม่ร้อยปเซ็นนะคะเออดีที่รู้ทันนะ วกาต้องขอโทษท่านอื่นด้วยเพราหนูส่งกันบ้านส อ, อาทิตย์ติดกันค่ะไม่เป็นไร <c oughs> หนูสองอาทิตย์นี้ก็ดีขึ้นน ะ, ะ <c oughs> เพราะว่าทิตที่แล้วรู้ว่าตัวเองหนักแล้วก็ถือไว้อย่างยึดไว้อย่างแรงค่ ะ, <c oughs> ะหนูมีการบ้านเลยทําต่อค่ะพ่อได้คิดนําไป <c oughs> แล้วดูกายดูใจเขาทางานดูไปตามสบายแล้ว <c oughs> จงใจดูจะไม่ได้ของจริงรู้สบายๆดูเล่นๆ ละก่อนนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวามเเมยวิโตทินังเฟตานังปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวาสมิจฉุสัเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา สัพพิติโยวิวัตชนตุสัพโรคโควินัสตุมาเตพวัตวันตยโยสุขีที่คายโกูภวะอาภิวาทนาศีริสนิจจังุทธาปัจายิโนจัตตารโรธรมาวัทันติอายุวันโนสุ ข, ขังพะลังสาธุเชิญทุกท่านกับพระบุดาหลวงพ่อไ้พร้อมอยกันนะครับกรา กระกระ